อะไรเศ้าอะไเขาปักตูเขาเขาเป็่ยนบรรท่าออกออกว่าเปลี่ยนเสีว่าตัวมีปัญญาอย่างไรบัสูปัจจุเป็นบัเจ้าสูปเจ้าว่าเปลี่ยนสียว่าตัวมีปัญญาอย่างไจักว่าโลกมันผสมะสงค์วยกันตัวเกิดมาแล้วมันผสมะสคเสีมจมกินตบัตยัง ก้มให้ไพ่สโลกมันกับวัตถุนี้ม่นน่ามาเกิดพี่น้องทั้งร้ายว่าไปเกิดเน่ยมนุษย์โลกผู้ขาจะปล่อยแว่นเช่นแรงในวันเขาบริวาเนี่ยวันมาเกิดมาไปเพลงโทษผู้อื้อผลสี่อันนั้นกูก็สี่นะมึงมึงก็สี่นะกู แค่ไม่แค่เรานรเข้าท่วงตา ม, ม่้เนอนีอ่แม่ตาย่อไปสั่งว่าคือจังหวยใหญ่เท่าไรนั่นทำให้แท้โตกันเดียวกันกูสี่มึงสี่กูอยู่นี่นะพระกษยอมย่อ ม, มกีพระย่อเน่าคู่กษีเจ้าน้อยจ้าน้อยอกษีเนยาคูเนี่นี่น เจ้าหน้ากันซีรัดร้อนรัดรอนซีเจ้าหน้าอย่งนี้พวกพ่อข่าพ่อขายกันไซกันมาเรื่องเพื่อเพืเป็นนั้นเพื่อนเป็นนั่นเนี่มิจะผู้ทรงออกนอกวัดญากเอาคว่ำดีกันตุ่มตามตุมตามตัวคว่มพิษแพ้กับวิญญากรับตัวแม่นว่าเพีกันกะบ่ากันตัวโลกนี้นะเห็นไหมความพิดแพ้กับวิญญาณได้ถิ่มมากันตุ่มตามตุ่มตามเมื่อนั่นแหละมาถ้าถือกับผู้ใดจักได มบนพยายามันทำบุญก็คือกันอืมผู้ดได้ได้ออกน้อยว่าผู้นั้นไว้ดีพุนผู้ได้ได้ออกหลายล่ะเสียเปรียบมู่วกคนจีนเขาเจ้ามาเฮ็ดบุญในมูเเ้าวัดนั่นก็เท่าแก้นั่นวัดนี้ก็เท่าแก้นี่แะ แก้กายพอดีใจหัวดังเปี้ยเงียบเปี้ยเงียบข้าจอมาเเศษใหญ่โตมาข้าจอมเรีอมไซคู่ว่าอาจารย์และผู้ธาตุศาสนาโตอภูละภูละภูละยุธยาเพิ่นทำไแค่เศรษฐกิจเัินเพิ่นออกไปเมดไปกินเมดโตเราได้กินเลียตะก่างมัน เศรษฐกิจทั้งกุศลพลบุญทั้งทรัพย์ทั้งสินก็ถือศัลย์คนเอาไปกินเมื่ตัวเราผ้าฝันผ้าเศรษฐีไปขาดที่ให้เศรษฐกิจเทศกิ จ, จกุศลพลบุญจะไปยื้อน้ำกินคนได้หลายบาทเนี่ยมาหานี่เขารัดเก่าโหลดแซ่ได้ไหมแซ่หนั่นโหลดัาเดียว หรือพวกใคมีคนไทยหลายพ่อปไานายเน่ยสมมาตรไคุเค้เท่เอนกไัไม่ได้เก็ดเก็บข้างอันหนึ่งสมหมายเนี่ยผมยังผ่เป็นปตัวเก็บกันหนดเยก็ได้ไผทําำไผได้ยไผเฮ็ดไผได้ยอองไผ่อองมันนึ่งของอันนี้หวังเพึ่งตน จึงไม่จนมุมง่ายหวังเครื่องผู้อื่นก็สมประสงค์บ้างไม่สมประสงค์บ้างป่าและรุ่งเจ้ายาไมาเ้เพิงเพิ่นสิเบิงเจ้าจับแกล่าเพิ่นสิขขืนเฮือนหาง้เจด้อีกจับมือคำโบราณมาซ้อนเนี่ยเพิงตนเอง น้ามจตายมากกเพิงกระของได้เพื อ, เพ อ, อื่นกันเพิิทนทอดตายแล้วเพลินก็ไปเผาอนะันนอันเพิงคิดเพลิงไก่กระของนะทีพริกถือหรือว่าถือก่นน้ามจตายไม่ต้องเพิงกระของลออไไแล้วเพอื่นว่าพริกไห่อะไรได้ไม่จะเอาสายไฟไฟห่ท่านนะพริกกี๊เพ่อถือก็ไปหว่าแม่มนี่หละบมตายเนี่ยเี่ยท่นสั่นจะเกียมพ่อหน้าไว้ ใครคืะระพานสนามตาย ก, คกคูคนกูคนคนกรุงเทพมไมมอยูน่นี่ยกมือขึ้นไม่มีไม่มีก็พูดสะดวก <gelecek> จันทบุรีมีกี่คนจันทบุรียกมือขึ้น จันบุรียกมือขึ้นเห็นไหมไหมว่ า, าจันบุรีมีไหมอยู่นี่ฮะเออพูดขนาดนี่ฟังออกแล้วนะได้ยินไหมพูดขนาดนี้ถ้าพูดดังเขาห้ามมาให้พูดดังได้ยินเขาประกาศวันหนึ่งห้ามมาให้พูดดังเขาไ่้อย่างนั้น แต่ว่าส่วนเขาเน่ยพูดดังหนวกหูอพระเนี่ยพระพูดอยู่ข้างบนไม่ได้หนวกพ่ยในหลวงของเขาดอกพวกความหวังใหม่ก็คือพวกเราหวังพระนิพลเรียกว่าพวกความหลังหวังใหม่หวังเพื่อคนทุกข์ในวัฏจักรงศารหวังอันใดในใจโลกธาตุไม่เท่าหวังคนทุกข์ในวัฏจักรงสาร จะนั่งหวังนอนหวังอยู่ก็ไม่ถูกอีกก็สร้างบา ร, รมีมิถานวัตสีวัตภาวนาวัตเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อความแก่ความเก็บความตายเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเราก็พยายามทำความดีเพิ่มขึ้นทุ ก, ทก ว, ก ว, กวันทุ ก, ท ก, กยายาทวัน เพื่อชิงชีวิตเพื่อแข่งเวลากับชีวิตชีวิตของผู้ทำดีเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและเป็นเวลาที่มีคุณค่าเหมือนกันชีวิตไม่มีคุณค่าเวลาไม่มีคุณค่า ก็คือผู้ประมาทผู้ไม่มีข้อวัดประโยชน์ปัจจุบันไม่อยู่เสียวุฒธานนะสมบัาถึงพร้อมด้วยความหมันในการประกอบเครื่องเรี่ยงชีวิตก็ดีในการศึกษาเราเรียนก็ดีในการทำธุระหน้าที่ของตนก็ดีสองอารักขาสมบทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ด้วยความหมั่นไม่ให้เป็นอันตรายก็ดีรักษาการงานของตัวไม่ให้เสื่อมเสียไปก็ดีสากัรยาณมิตร ต, ตาตาความเป็นผู้มีเพื่อนดีงามไม่พบคนชั่วสี่สมัมชีวิตาความเรียกชีวิตในทางที่ชอบ มีประโยชน์ปัจจุบันปัจจุบันประโยชนรร์ภายหน้าหนึ่งศรัทธาสมบัตถึงพร้อมด้วยศรัทธาเชื่อว่าทำดีใดๆทำชั่วใดๆชั่วเบิ่ต้สองเสียและสมบัาถึงพร้อมด้วยวศียนคือรักษ า, ากายวาจาให้เรียบร้อยไม่มีโทษก า, าะทะสมบัติ ถึงพรอมด้วยการบริจาคทานเป็นการเลียสุขให้แก่ผู้อื่นปัญญาสัมปทาถึงพรอมด้วยปัญญารู้จักบาบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นประโยชน์ในแผ่ภาคาะพระพุ ท, ทธศาสนาก็ไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจเหยืยดที่หน้านั่นจึงว่า วิทยาปรเมีสัมป น, นูขันติปรเมีสัมป น, นูให้อดทนให้ต่อสู้ในสิ่งที่ควรต่อสู้มุทชาตาวินทเตท่านังคนวันย่อบหาซั์ได้ทรัพย์ในที่นี่แ บ, บ่งออกเป็นสองมันในที่นี่ก็แ บ, บ่งออกเป็นสอง มันเล่นเลขเล่นผ้าก็มันชิปหายตายโหงออะมันเล่นทำงานบริสุทธิ์คำว่ามันคำว่าหาทรัพย์มันในทางอบายมุกเป็นทางชิบผายมามันในการงานที่ตรงเันข้าเป็นทางเจริญ มิจฉาอายชีวะเรื่องชีวิตผิดระบายมุกเรียกว่ามิจฉาอายชีวะมื่อเรื่องชีวิตไม่ถูกมันก็ไม่สะดวก ในด้านจิตใจนำผลให้มาเป็นทุกทุกมีอะไรว่ามีทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกวิโยคพัดพ้าทุกฝานถนาไม่ได้สมหวัง ทุกประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่น่ า, นารักใคร่พอใจโดยใจความเพราไม่ลงธรรมากก็คือขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกขปัญจุปาทานขันธาทุกขาขันธ์ห้าเป็นทุกขรูปูปาทานขันธถูกรูปก็เป็นทุกขอุป า, าทานเวทนาปาทานขันธ์ถ เวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกข์วิขาก็เป็นทุกข์สังขารเวิน ญ, ญาณเป็นทุกข์เช่นนั้นแะสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งแห่งจิตก็เป็นทุกข์อยู่มันมีคำว่านึ่งคืนมันจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่มันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเวิยนญาณก็เป็นทุกข์เหมือนกัน เดี๋ยวก็รู้อันนั้นเดี๋ยวก็รู้อันนี้เดี๋ยวก็รู้มาทางตาเดี๋ยวก็รู้มาทางหูแล้๋ยวก็รู้มาทางจมูกเดี๋ยวก็รู้มาทางลิ้นเดี๋ยวก็รู้มาทางกายเดี๋ยวก็รู้มาทางใจเดี๋ยวควาวิญญาณหกเกิดดับอยู่ไม่มีรางวัลเงินเกินหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไรที่มันเที่ยงที่มันอยู่ในโลกนี่ ไม่มีสิ่งที่จะเที่ยงอยู่ในโลกเที่ยงแต่ทางมันทุกในโลกบรรจุอะไรว่าก็บรรจุทุกเท่านั้นพระนิพพานมีในโลกไม้มพระนิพพานไม่บรรจุว่าในโลกนอกโลกออกไป กามาวัชรภูมิจิตใจที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามรูปาวัชระภูมิจิตใจท่องเที่ยวอยู่ในรูปอะรูปาวัชรภูมิจิตใจท่องเที่ยวอยู่ในอรูปคือเวทนาทัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละรวมเรียกว่าโรป รวมเรียกว่าสังขารรวมเรียกว่ากองทุกรวมเรียกว่าสังขารรวมเรียกว่าอนิจจตาทุกขตาอนัตตาย่นทุกข์สั้างลายย่นทุกข์สั้างลายลงมาปัจจุบันให้เล็กกว่า ปลายเข็มสซเสยังหเห็นว่าทุกทั้งหลายยัดเยียดอยู่ในโลกเหมือนปลายเข็มแล้วรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาทำไมถึงไม่รู้ตัวพระเคยชินมาแล้วจึงไม่ค่อยรู้ตัว ถือเป็นของธรรมดาไปซะแต่ว่าธรรมดาที่เราหลงไม่ยอมจำนวนเสียแล้วเอบกินกับธรรมดาเอบกินกับธรรมชาติเป็นส่วนว่า แอกินกับโลคพาไปถ้าโลคพาไปทางถูกก็ถูกถ้าโลคพาไปทางผิดก็ผิดส่วนเราไม่มีอิสระที่จะพิจารณาในธรรมะทีนี้มันก็ใช่ไม่ได้อีกเหมือนกัน เป็นเสนาขีกาเพราะความดีความชั่วในทางพระพุทธศาสนาองค์พระบรมศาสดาขอได้มีอิสระเห็นเองไม่ได้ขู่ไม่ได้เห็นให้เห็นขัได้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเอง ในตัวของตัวเอาตัวของตัวเป็นพยานเราทำอย่างนั้นเหือดเือดร้อนอะไรบ้างเราทำอย่างนี้เหลือดร้อนอะไรบ้างเราทำอย่างนี้สบายใจหรือไม่ใชนเครื่องทดสอบ เครื่องทดสอบก็มีอยู่ในตัวแล้วตัวไม่ชอบใ้ไมีท่านผู้ใดมาเบียดเบียนคนอื่นก็เหมือนกันสมวนพัะพัฒฐานก็ไม่พอใจกับให้ท่านผู้อื่นมาเบียดเบียนน่านการมี ก็ไม่พอใจให้ท่านผู้อื่นมาเบียนเบียนด้านมุสาก็ไม่พอใจที่จะพบปะอย่างนั้นเสียทั้งเวลาผู้ฟังเสียทั้งเวลาทั้งผู้พูดไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองทางหลักของมนุษย์แว่นสองทางของมนุษย์ ยาปรดเวีนภัยของมนุษย์สำหรับฆราวาสก็คือศีลหนาสำหรับพระเนนพ็ตามเรื่องของพระเนนเองมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระเนนถือศีลมากกว่า ข้ารวาดท่านพอไม่สำเร็จไปหมดทุกท่านแล้วหรือสอนแสดงให้เห็นว่ามันด่ามันพาออยู่มันก็ไปไม่ได้หรือมันขาดมันวว้นอยู่ว่าศส้นบริบูรณ์ตอนไห น, ไหนสมาธิก็บริบูรณ์ตอนนั้นๆ ปัญญาตอนนั้นก็บริบูรณ์เหมือนกันศีล ส, สมาธิปัญญาบริบูรณ์ในชั้นพระโสดาบันสีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ในชั้นสักขาคามีศีล ส, สมาธิปัญญาบริบูรณ์ในชั้นพระอนาคามี สีนสมาธิปัญญาบริบูรณ์ในยัานภรันก็มีสูงต่ำกว่ากันเป็นลำนับตามมัดและผลของธรรมะของอริยศัตร์ ถ้าเราไม่กลัวสินห้าเราไม่กลัวพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ขาดทนุนถ้าเรากลัวสินห้าเรากลัวพระพุทธศาสนาไม่อยากปฏิจจบัติเรียกว่ากลัวหรือถือเป็นของหนักเรียกว่ากลัวเราก็ขาดทนุน เบื้องต้นของผมมัจจันแล้วเนี่ยพุทธังสถานังคัสสามิเข้ากันกับสิ้นห้าถ้าเราไม่ยอมรดระอบายมุกแล้วการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่สดิท เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าไตรสรณ ะ, ะคมสร้าหมองถ้ายังมีใจตรักไปว่าอบายยะมุกทุกประเภท จะพาให้แก้แค้นในยามจนมุมได้หรือเป็นการช่วยแบ่งเบาได้ในยามขัดสนถ้าท่านผู้ใดเห็นอย่างนั้นเรียกว่ามมตขาทิฏฐิเต็มภูมิผิดสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น เพราะเข้าใจเห็นผิดว่าเป็นถูกและก็เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาจะต้องเมตตาไปแบบนั้นใครเล่นเลขก็ต้องภาวนาบอกเลขให้ เพราะกล่าวตูว่าพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นไอ้แท้ๆพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นห้ามเปล่าถ้าว่าพระพุทธศาสนาไปส่งเสริมอบายามุกอนุตรังพุญยเถตังโลขัดสาติเป็นบุญของโลก เป็นนาบุญของโลกนี่อยากว่าอนุตรังปาปะเจตังโลกัสสาติมันก็กลายเป็นนาบาปของโลกสิ่งเหล่านี่ไม่ควรข้ามกลายต้องพิจารณาให้แตกหักถ้าอย่างนั้น ทิฐิตนเองไม่ลงตนเองมันสำคัญมากตนเองผูกปัญหาขึ้นแล้วตนเองไม่แก้ผูกปัญหาทางถูกทางเป็นประโยชน์มันแก้ไม่ยากถึงจะทำไม่เสร็จค้างอยู่ก็ไม่เรียบร้อน สัตผมผิดคิดเจ็บรั่นหายเอาผัวเอาเมียผิดคิดถอดมือตายชั้นใดก็ดีเมื่อเราวางแผนผิดในการคองเชื้อมันก็ไปไม่รอดอีกเหมือนกัน ถ้ามันหมดไหมหมดมือมาแล้วมันก็ชิดจนวันตายคิดต่อพมันเป็นเฮมฮีคึดต่อนอกมันเป็นหลงคลว่าคึดต่อโตมันจะเป็นโปโลโ บ, บ้านบ้างส่งให้ภาษ า, ษาภาคอีสานบ่างส่งให้ภาษาจันทบุรีบ้าง ถ้าผู้บาลามีแก่ฆ้ามาแล้วก็ไปทางรัฐผู้บาลามียังอ่อนอยู่ก็ต้องไปทางโค้งเสก่อนเพราะยังเรียนกอสะอาคาขอสะอาคาอยู่ สิ่งที่มันเฉียบายเราไปยืนยันว่ามันเจริญความเห็นชนิดนี้เป็นที่พึ่งของเราได้แล้วหรือยังทำไมเราจึงไม่พิจารณาบ้างความเห็นที่ว่าอบายมุกทุกประเภทเป็นเหตุมาให้เครื่องเิียบหาย ความเห็นชนิดนี้ของเรามันแสงกับความเห็นของพระพุทธศาสนามันจะเป็นบาปไหมล่ะนั่นเรียกว่าเถียงพระพุทธศาสนาอยู่ไม่มีกลางวันกนคืนเรียกว่าเถียงพระบรมศาสดายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพราะเธอทั้งหลายไม่อยากบวชก็อยากบวชเธอทั้งหลายจงอยู่ในฆราวา เนอบายมุกซะเราชาวพุทธไปเล่นอบายยมุตไปชดพระสมานพรพุทธเจ้าไปชดท่านทำไมท่านเข้าสาู่พระานแล้วก็ไปชดเรานั่นเองเงินเราก็หายอันนั้นคูก็เสียอันนี้คูก็เสียเหมือนอิตฉาภาพ มาพุ่งกัดออกงกพเดกกูกระเซียบังหนามกูคะเตกมกพเดกกูกระเซี ย, ซยว่าอะไนี้กันเดียวกันเลยเราจะค่อยเมื่อได้หอมสุก ม, มาให้กระเทาะภาษาออก ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ให้ระลึกถึงเพื่อสิทําดีนัเองละ่ะว่เป็นระลึกแล้วที่วาทําซัวบอกท่านที่เอาเป็นเร่ยงอย่างจเจ้าพระสมมาทัตพุทธเจ้าเป็นเร่ยงอย่างถ้าเราเอาคนต่ากว่าเรามาเป็นเร่ยงย่า ง, างเราก็ยิ่งไปใหญ่เราก็ต่ากว่าเขาไปอีกแล้วโผล่ เอาพระธมมาพระพุทธเจ้ามาเป็นอย่างอย่างถึงอย่างนั่นเราก็ไม่ไม่ดีเท่าท่านเอาคนขนาดเรามาเป็นอย่างเราก็ต่ากว่าเขาไปอีกเอาคนต่ากว่าเรามาเป็นย่างอย่างอีกเราก็ต่าไปกว่าเขาอีกทั้งล้านล้านอีกระจนนับไม่ไหวอีกระดัง เครื่องมัดในวัาสงสารเนี่ยอะไรมัดแน่นกรรมและผลของกรรมของสัตว์ทั้งหลายมัดแน่นแต่ว่ากรรมและผลของกรรมก็แบ่งออกเป็นสองไปทางกุศลหนึ่งไปทางอากุศลหนึ่งไปทางบาปหนึ่งไปทางบุญหนึ่งส่วนไปทางบา ก็ผูกพัน์กับบาปไว้ส่วนไปทางบุญก็ผูกพันธกับบุญไว้พระบุญยังไม่เต็มเมื่อบุญจาเต็มแล้วบาปก็ไหลออกเองเพราะบาปไม่มีที่อยู่ถ้าบาปเต็มแล้วก็บุญก็ไหลออกเพราะบุญไม่มีที่อยู่ ส่วนที่ทำแล้วมาให้ผลสิ่งไหนที่จะเข็ดจะลาบในชาติในภพบแบบเย็นเย็นแบบแยบคลายด้วยปัญญาสิ่งนั่นคือคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายสิ่งไหนที่จะต่อเติมให้ราคะจัดขึ้น สิ่งไหนที่จะต่อเติมให้โทสะจัดขึ้นสิ่งไหนที่จะต่อเติมให้โมหะจัดขึ้นคือความหลงสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระธรรมจักรที่ไหนที่จะทำให้ราคะโทสะโมหะเบาลงบ้างหรือห้ามเบกอยู่ สิ่งนั้นเป็นคำสอนของพระเจ้ทาทั้งหลายจะเป็นภาษามาคตก็าตามภาษาจีนก็าตามภาษาไทยก็าตามภาษาลาวซาโมนภาษาวนกว็าตามไม่สำคัญสำคัญอยู่กับความเข้าใจของความหมายในเรื่องนั้ น, น, น คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีประมาณหรือไม่ไม่มีประมาณเลยเม็ดหินเม็ดทรายในท่อ ม, อ ม, าามาหาสมุทรสารราษฎร์มาหาสมุทรก็าตามอสงไขัยอสงไขยมาหาสมุทรก็าตามก็ไม่เท่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะจดแต่พืชจนถึงผมมะโรกก็าตามเม็ดหินเม็ดทราย แม่แดดแม่ลมแม่ฝนไตโ่โลกธาตุเนี้ยก็แม่มากเท่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งกลมกลืนกันอยู่เหตุฉะนั้นภาษารียบทเดินจงกลมกลับไปครับมาแล้วลงเอยในใจว่า เออคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่มีประมาณเสียนหนอเราเลึกมากเท่าไรยิ่งทวีมาเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าหาที่จะวางจะปองไม่ได้เพราะมีว่าถึงจะยอดลงเป็นหนึ่งก็ไม่มีที่จะวางเสียแล้วในไต่โลกทานและนอกโลกอีกและจักรวาลอีกไม่มีที่วางเสียแล้วคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนคุณพ่อคุณแม่ คุณในไตลกอธาตุมันไหลขึ้นถูกคุณพระพุทธธรรมประสงค์แล้วอยู่ในตัวถึงจะ ก, กักตุนไร้ก็ไม่ฟังเพราะเครื่องดึงลูดมีเหมือนกักตุลลมกักตุนไม่ฟังมันพัดไปปื้อเลยพระสาทีบทกาบทูลพระบรมศาสลากเพะเดินจงกลมกลับไปกลับมาแล้วลึกถึงคุณ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กรมเกือนกันอยู่เป็นอันเดียวหาประมาณไม่ได้พระเจ้าค่ะไม่มีที่วางไม่มีที่ปรงุงไม่มีที่ขยายออกไม่มีที่ย่นเข้าเพราะคับแคบเสียแล้วในสัพไตรโรกธาตุเออถูกละถูกละเธอเป็นผู้มีปัญญามากก็ต้องระลึกได้มากสิจะระลึกอยู่กี่กับกี่กันก็ไม่หมด พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยงใส่กันทุกๆพระองค์ด้วยทั้งเป็นโลคุตระคุณด้วยไม่มีโลคิยะโทษไปพลไปเป็นคุณอันไม่เกิดไม่ดับไปไหนด้วยมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้ เหมือนทรัพในดินศิลปในน้ำํำมีอยู่ทุกการไม่ขึ้นอยู่กับผูร้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้อีกอันเดียวกันจีบอจีบรของใครห่มอยู่นี่จีวอของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พูดอยู่นี่ของใครนี่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นั่นของไข่ของพ ร, ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นไม่ใช่บูชากิเลสของพวกเราทั้งหลายจุดไฟเข้ามามากเลยแล้ไม่ยุดเฉยเฉยทูลทไว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยพราะไฟของท่าน ทำไมถึงว่าของท่านเพราะท่านทิ้งแล้วท่านไม่อะไรก็ เ, เลยเป็นของท่านฉันนําลายม้วนทิ้งปุดบตรเดี๋ยวนี้น้าลายใครน้าลายพระคอพระขอแต่เจ้าของพระคอพระขอเนะ่ะไม่ใช่ได้อยากเอาคืนมาอีกฉันได้ก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของพระบรมธาตุนา แต่ท่านไม่ใช่ได้จะเอาคืนไปด้วยไม่ใช่ไดยจะหอบไปพระนิานด้วยนี่โมนี้โมนี่ผมว่าพะทธธรรมผสมวะที่ไหนไม่มีของพ่าพุทธธรรมงส์มีที่ไหนบอกมาสิในไตรโลกธาตเนี่ยอ๋อสวรรค์พระพูดุทธธรรมผส์ผูออกหมดแล้วเนี่ยนั่นไตโลกธานุเนี่ยพระพุทธธระสงะสง์รู้แจ้งแทงตลอดหมดแล้วเนี่ย อ้าวคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณไต่โรคอทาตมันไปรวมอยู่ที่คุณพุทธธรรมสง์แล้วดึงดูดไปแล้วคุณพุทธธรรมสงก็ไปรวมอยู่ที่คุณพระนิพพานแห่งเดียว ในแต่โลกกท่าเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของพระเนพาลหมดเป็นบ่าวของพระเนพาลหมดเป็นบ่าวพระพุทธศาสนาหมดอยู่ในตัวแต่เขาไม่รู้ตัวเราพูดอย่างนี้ไม่กระทบโลกดอกหรือไม่กระทบเลยภาษารีบุตร เป็นผู้ทรงพระปัญญามากพระเทิดทูลพระพุทธศาสนาอนเนกปริยายมากกว่าเพื่อนองค์อื่นๆและมีความเห็นลึกซึ้งด้วยเหตุนั้นบาลีจึงยืนยันว่าอัปปมาโนหุตโทคนของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณ อัปปมาโนธรรมโมคุณของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วนั้นไม่มีประมาณอัปปมาโนสั้งโคคุณของพระอริยสงฆ์ไม่มีประมาณด้วยประมาณนวันตาในสิดิงสป า, าในอนนาชีวิชิการัตตปฏิอุณนานาภิสระภูมูิสกาคุณจิงจบทุกเก และอะไรต่ออะไรในใจโลกธาตมีประมาณเม็ดหินเม็ดทรายก็มีประมา ณ, มมาามมาณแต่คุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณอีกด้วยแผนะ่นดินหนาะสองแสนสี่หมืนโย เขาเอาโลกระเบิดปรมาณูทำลายแต่แต่พูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่างลงลึกไปกว่านั้นอีกไม่แตกเลยตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมากกว่าพินแม่ทรายในท่อมหาสมุทรร้อยโขดมหาสมุทรเขาก็ไม่ยอมหนีจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พูนั้นถึงจริงไม่ได้ถึงแต่ภายนอกใจถึงด้วยไม่ถึงเพื่อลวงโลกกินขนมปวดบ่เวทนาถ้ายืนยันว่าเป็นเวทนาตน ต้นเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้นี่เรียกว่าเวทนาทุกข์กันบ่เมี่ยนวยแก้วย่องพูบนหัวส่วนผงทุรีหมดที่ว่ายว่างเมียน หยักไปเร็วครับกาลิกีชิ้นไส้ถูกะะกาลิกีชิ้นไส้ว่าไงแก้วยกางย่องยอยู่บนหัวไหมนะแก้วย่องอยู่บนหัวก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองอยู่บนหัวหัวใจถ้าท่านผู้ใดไม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยอมตนให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเยี่ยวรถ เหยียบย่ำโถน้ำลายคายน้ำโมกใส่ในสักคนละกายสักคนละใจอยู่ทุกวันมันมีประมาณแล้วลึกได้ไหมลึกได้ก็ดีผูกขาดจองขาดผู้นั่นคือผู้ถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสง์ลึกลงแล้วไม่หวั่นไหวละอาจารยและศรัทธาศรัทธาไม่หวั่นไงอาจารย์ะศรัทธาสุปฏิทิตาตั้งอยู่ ที่รันจายัสกา ร, รัญานั่งสินเมืองต้นก ร, รัญานะ ร, รมอนิยตกันตังประสังสิตังคือสินห้าเรียกว่าอาเรียกยักันตศินสร้างเคปัสาโรยยัสสตินั่นแหละคือพระสงฆ์ที่อยู่ในฆรวาสแต่่มในามาลงอุโบโสถ ด, ด้วย พระเพรศูนในพระพุทธศาสนาคาราว่าเป็นพระเพรศูนเป็นเหมือนกันแต่ว่าในโรงโอโบโส ด, ด้วยพูดถึงสุปฏิ ป, ปโนโเขาเรียกว่าสุปฏิ ป, ปโนโเหมือนกันกันกบพระพูดถึงพระสวสดาวันอยู่คารว่าก็พูดถึงพระสวสดาวันอยู่ในวัดก็มีคุณค่าเสมอกัน ผู้กเก็บเรืออยู่คาราว่ากับผู้กเก็บเลือบวชอยู่ก็บเท่าเท่ากันก็เค็มเท่าเท่ากันก็ให้เข้าใจง่ายอริยกันตสินในโลกุตระก็คือสินห้าบริบูณ์ดุวาศกุวาเชกาไม่รักศินห้า จะให้ผีตัวไหนรักพระสัมมาพระพุทธเจ้าไม่ได้มอบพระพุทธศาสนาไว้กับผีมอบพระพุทธศาสนาไว้กับมนุษย์และเควดรามารพรม หรือทั่วทั้งไตรโลกธาตุสิ่งที่เลือยกใสยพระองค์พระพุทธเจ้าจะ ม, จะมีจะมีกี่ล้านลาในอนาคตก็มาเกิดในประเทศเอินเดียหมดเพราะประเทศเอินเดียผูกขาดแล้วในโลกนีย ถึงจะตั้งกลับใหม่ก็ตั้งก่อนมูถึงจะอันตรธ า, านก็อันตรธ า, านทีหลังมูประเทศอินเดียเนี่ยแผ่นดินประเทศอินเดียนั้เกิดก่อนเขาเวลาอันตรธ า, านอันตรธ า, านที่หลังเาัาเวลาไฟไหม้ไฟไห ม, ม้โลกพ้าทิ่ขึ้นิเจีย๊ยรู ถึงพระพุทธธรรมพระ ส, ง, ระสงมาน네ี่ถึงยากถึงที่ใจเลยหาก็หาที่ใจเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่ที่ใจวัดก็มโนวัดเอาย่นวัดลงอีกสักทานศีลภาวนาเอาไปรวมมาที่แห่งเดียวสักเอาไว้คนละแห่งมันหายากเอาไว้ชที่ยวร่างกา ทำแล้วก็เอาไว้ที่นั่นพราะทำออกมาจากนั้นทำออกมาจากนั้นก็เอาไว้ในที่นั่นบาปก็ดีบุญก็ดีถึงไม่เกจตนาจะเอาไว้มันก็เอาไว้อยู่ในตัวมันมันระ ล, ลึกเคนของมันอยู่ทีนี้เวลาเวลาพ่อเราบัดมือได้ไหมนี้ไม่ไดบ ต่อไปนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวพุทธทุกฝ่าหน้าจงพากันมีความสุขความเจริญในบวรและพุทธศาสนาของพระสมานพระพุธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเถิดพุทโทธธรมโ ท, ทั้งโคนิปานเอาละดีเคยได้สร้างมาความดี พระชายชาตะปัจโยปัะชายชาติก <zech> ็สร้างเพิ่มเข้าอัญญะมัญญะกันอัญญะมัญญะปัจโยนิทยาปัจโยปุรีชาติปัจโยพระชายชาติปัจโยอเซวนาปัจโยกัมมะปัจโยมีกุศลกรรมเป็นที่ไปวิปากาปัจโยคือบุญคือผลของกุศลอาหารเราปัจโยอาหารที่เป็นกุศลอินทเรียปัจโยคืออินทรีย์ของเราแก่กล้าไปในทางกุศล ชาณปัจจะยคือเราเจริญชาญเราเจริญชาญเ็เป็นปัจจัยให้ไปพรหมโลก มันก็ไม่ได้ใส่ชื่อหรือนามว่ามันเป็นเสียงแต่เราก็มาใส่ชื่อหรือนามเอาหูก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้ใส่ชื่อหรือนามว่ามันเป็นหูแต่พยาคิตราตมาใส่ชื่อหรือนามจมูกก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันชื่อจมูกแต่ว่าพยาคิตราตไปใส่ชื่อให้มันคิตราสังขารเลี้ยนกายก็เหมือนกันทีนี้ใจไม่มีใครใส่ชื่อหรือนามให้ตน เขาไม่ตอบแทนใส่ชื่อวาตาหูจบูกเล่นกายแล้วเขาก็าไม่ตอบแทนและเขาก็ไม่ปัดและเขาก็ไม่รับใจก็เอาโขนสวมหัวตัวเองขึ้นว่าใจใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจนั่นสมมติก็คือใจเป็นต้นสมมติ ย่นสมมติลงมาเป็นหนึ่งก็คือใจย่นวิมุตติลงมาเป็นหนึ่งก็คือใจรุดพ้นก็คือใจเป็นผู้รุดพ้นไม่รุดพ้นก็คือใจเป็นผู้ไม่รุดพ้นหลงก็คือใจเป็นผู้หลงไม่หลงก็คือใจเป็นผู้ไม่หลงถ้าใจไม่หลงใจใจไม่หลงใจตอนไหนใจก็ไม่หลงทมตอนนั้น ถ้าใจหลงใจตอนใดๆใจก็หลงทำตอนนั้นๆถ้าใจรู้เท่าใจตอนใดๆใจก็รู้เท่าทำตอนถ้าใจปฏิบัติใจตอนใดๆใจก็ปฏิบัติทำตอนนั้นๆหมายเอาแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์อะ น, นี่เอาจะปพาะลอะไรอีกเขาปลาลบซะ อาหารของใจอาหารของอาหารใจของนักปราชคือบุญอาหารใจของเป็ดนักเปดคือบาปแต่ใครเป็นนักเป็ดนักปราชุดก็แล้วแต่เจ้าของจะดูเอานอกจากตนไม่มีใครใครจะรู้เท่าตน นอกกากระไไม่มีอะไรจะรู้เท่าใจเหตุใจที่สงสัยอันใดผลของใจก็สงสัยอันนั้นถ้าอย่างนั้นเหตุกับผลก็ไม่อยู่ห่างกันพ่อเก้าพ่อเก้ามักกับผลก็ไม่อยู่ห่างกันพ่อเก้าก็มีความหมายอันเดียวกันมักแปลว่าเหตุผลแปลว่าผลของเหตุมั ก, ก็แปลว่าเหตุผลก็เป็น แปลผลของมรรคอันเก่านะนันี่นี่มาเพียมานี่คานมาเพียซมาเนี่ยนี่มาเพียคนค น, คนพระพุทธศาสนายังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือ น, นอยู่คงเชียบด้วยพระพุทธศาสนา พี่นาตรงชาวพุทธจะอยู่ได้เลยเราก็เหมือ น, นมวดมวยสุดสิ้นสกุลพุทธใครรานใครรุกร้าวชาวพุทธคนนั้นจะเสวยกรรมที่ไม่เป็นสุขตลอดกาลนานแล ผู้ใดเวียดเวียนพระพุทธศาสนาผู้นั้นเรียนวิชาพวนน้ำลายขึ้นฟ้าควา่างป้า้อนใส่ต้นเสานักมวยเอกก็หลบไม่ทันกําฝุนต้อลมลมพัดจัดมาเดียวก็เข้าปากเข้าจมูก เมื่อลมไม่วัดไม่รับไว้เราได้สัตว์นาดีแล้วเราไม่ต้องเป็นกบเลือกนายมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในเบิงใหญ่อยู่มากบฝูงนั้นอยา ก, กหานายคุ้มครองป้องกันตัวแล้วจึงไปขอร้องเกเทวดาว่า ขอให้ส่งนายมาให้เทวราท่านก็ทิ้งขอนไว้ขอนหนึ่งลงไปเสียงดังสะท้านพาให้กบตื่นตกใจยังมีกบกล้าตัวหนึ่งไหวหน้า ม, มามองเห็นเข้าแล้วก็ขึ้นไปงองอยู่ที่บนขอนหมู่ก็ขึ้นไปอยู่ด้วยกันขันอยู่นานมาก็เห็นว่าขอนไหวมัน ม, มีประโยชน์อะไรแล้วก็ มีแต่ฟูให้เรางอยอยู่เฉยๆเรื่องจึงไปขอร้องแก่เทวดาอีกขอให้ส่งนายมาให้เทวดาเห็นความโง่เขลาของกบเหล่านั้นก็ปล่อยนกกระสาลงไปนกกระสาก็ลงไปจิกกินกบฝูงนั้นวันละตัวสองตัวก็หมดกบฝูงนั้น เรียกว่านิทานกบเลือกนายพวกเราอยากเป็นกบเลือกนายนายของเราคือพระสรมาักพระพุทธเจ้าเราเป็นพระพธรรมพระสงฆ์อันทรงอยู่ที่ดวงใจของเราเนี่ยคอยบอกคอยสอนเราอยู่ทุกวันขอให้เราเขารับก็พอเขารับรมจํำรงด้วยจยวิตแใจวาจา จำจำทำจำนงทรงอยู่ที่กายวาจาใจเอากายวาจาใจเป็นหิ่งเป็นหิ่งของพระรพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ชี้รถเยี่ยวรถเกยียบย่ําทรมน้ําลายคลายน้ำโมกใส่อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิด ป, จจนนปัจจุบันนะ่ะกิจปัจจุบันนธรรมอันใดที่บุดพ้นไม่ครับกอกไว้แล้วเสดข้าไปจ้าชวชงลู่ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลุดพ้นตามเป็นจริงในขณะนั้นที่ว่ารับนิมือเดียวอยู่ทุกเมื่อเถือนก็ร่องลงที่นั่นไม่ต้องอนาคตอนาคตมันคดไปเรื่อยอนาคตมันมีแต่บัญชีเพราะมันยังไม่มาถึง อดีตมันก็ล่วงไปแล้วมีเงินก็ใช้ไปแล้วดีเราทำดีก็ดีไปแล้วเราทำชั่วก็ชั่วไปแล้วอนาคตเราทำดีก็ยังไม่ทันทำเราทาชั่วก็ยังไม่ทันทาปัจจุบันมีอิสระเต็มทีพวกเราก็มักคัดข้านว่าไม่มีเวลาแต่เวลาหายใจเข้าออกมีอยู่ทีนี้แต่เวลาจะทำความดีไม่มีแน่แน่ทนี้ แต่เวลาหายใจเข้าออกมีเพอกลัวตายป่าชาก็คือป่าโรคปาโกรธปาหลงป่าชาที่เอาไปทิ้งมันอยู่ในหัวใจเขาเราเนี่ป่าโรคปาโกรธป่าหลงอถ้าเผาก็เผาป่าชาอันนี้เออกซะ ถ้าไม่โรคมีโกรธไม่หลงอยู่แล้วมันก็ต้องชาเนี่ยนเรียกว่าป่าชาเนี่ยป่าชาอยู่ที่หัวใจป่าไว้ก็อยู่ที่หัวใจเหมือนกันถ้ารู้ว่าชาลรวก็รอยซ ะ, ะถ้าไม่มีใจจิเลสก็ไม่มีที่อาศัยถ้าไม่มีเหล็กสนิมก็ไม่มีที่อาศัยแต่เล็กดีไม่มีสนิมการประพฤติพรหมกัน ถ้าเราปฏิเสธอาบน้ำไม่ได้เพราะมันสกรปรกครว ม, มมุมร่างกายของเราเราก็ปฏิเสธการปฏิบัติใจไม่ได้เหมือนกันเพราะมันมีเตกิเลต